พะจนที่มาถึงเราทั้งหลายในชาตวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมารโกบทที่ส0บข้อ45ห้าความว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาพู้จะปริบัติเขาและประทานีวิตของท่านให้เป็นข้าไทยคนเป็นอันมากขอพระเจ้าทรงไว้วาพรแพ่ผู้ที่สะดับตับฟังพระวชนะของพระองค์ พี่นนครับวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเดือนตุลาคมนั้นเป็นเดือนที่เราลึกถึงการปฏิบัติและการรับใช้พระเจ้าหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ก็คือแบบอย่างแห่งการปฎิบัตเพราะเจ้านาพระเจ้าที่ได้รับการอัญเชิญไปแล้วนะครับอยู่ในมาระโกะบทที่10ข้อ45หได้พูดถึงเรื่องราวของคาสอนของพระเยซูที่สั่งพวกเรา โดยที่พระองค์นั้นเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์หมายถึงพระองค์พระเยซูครับมิได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมากตอนเด็กๆนะครับผมจําได้ในชั้นเรียนระวีวัดศึกษาของกฤ่งจักรได้ให้นักเรียนท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ มาระโกบทที่10ข้อ45มาพระเยซูมาเพื่อที่จะปรนิบัติคนอื่นไม่ใช่มาเพื่อจะรับการปริบัติผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูภาพต่อไปนี้นะครับภาพต่อไปนี้เป็นภาพของครืจักรในยุโรปหลายประเทศภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่เขียนนะครับว่าครือจักรนั้น for sale ก็คือประกาศขายครับ Church for sale Church facility for sale นี่คือสภาพเหตุการณ์ของเครือจักรในประเทศแถบยุโรปนะครับดูภาพถัดไปครับภาพนี้เป็นตารางที่เรียกว่า empty pews ก็คือ pew แปลว่าม้านั่งในโบสถ์นะครับปรากฏว่าทุกๆประเทศนะครับ ก็ลดลงนะครับมีประเทศที่ค่อนข้างจะคงตัวก็คืออิตาลีและก็เดนมาร์กคงตัวแต่ว่าอยู่ในระดับต่ำครับและที่ประเทศไอร์แลนด์นี่จะหนักสาหัสที่สุดครับก็คือลดเยอะมากทีเดียวถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับกึ่ดจักทุกวันนี้ขอดูภาพถัดไปนะครับ มีคริสจักรที่เนเธอร์แลนด์กลายเป็นลานสเก็ตภาพทางซ้ายมือนะครับและที่สาหัสมากกว่านี้อีกก็คือท่านเห็นภาพทางขวามือนะครับคริสจักรที่เมืองนิวแคทเซิลประเทศอังกฤษกลายเป็นวัดธรรมกายท่านเห็นภาพของพระสงฆ์ไหมครับห่มจีวรเหลืองนะครับ ถ่ายภาพร่วมกับทายาท ร, รมที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองนิวแคสเซิลเป็นครับอะไรเกิดขึ้นกับเคลดจักรของพระเจ้าทุกวันนี้เมื่อวานนี้สตาฟของเราได้ไปประชุมสมนาชีฟนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมพระคิรสมไทยวิทยากร น, นั้นได้เดินทางมาจากเพสารัฐท่านก็ เตไปด้วยข้อมูล ต, ต่างๆที่ดีมากๆเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของกิงจกรในทุกวันนี้กิจักรในยุโรปที่ประกาศขายทําให้เราเห็นถึงการสูญเสียคุณลักษณะที่สําคัญของกิงจกรเรื่องของการปริบัติรับใช้ปริบัติรับใช้ชุมชนบริบัติรับใช้คนเจ็บป่วยปริบัติรับใช้เด็กเล็กๆเปิด เ, เป็นเนอรเซอรี่เปิดเป็นเด็กแคร์เปิดเป็นโรงเรียนคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียนเลขหลายหลาอย่างสูญเสียไปหมดครับทั้งที่เรามีประวัติการปฏิบัติรับใช้สังคมเราเป็นผู้นำของสังคมเราเป็นคนต้นเรือนของพระเจ้าในการทำการสงเคราะห์ชุมชนมาตลอดแต่เนื่องจากความเติบโตความเจริญของรัฐสวัสดิการทำให้คริจักรไม่ต้องมีหน้าที่ไม่้มีบทบาทการรับผิดชอบในสิ่งต่างเหล่านี้ ดังเช่นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นดังนั้นคนในคิดจักรก็ลดลงครับคนเข้ามาใหม่ก็น้อยลงคิจักนั้นสูญเสียประสิทธิภาพของการนําไปเรียบร้อยแล้วครับและยิ่งไปกว่านั้นคริจักก็ยังสูญเสียประสิทธิภาพของการประกาศภาคกิจคุณการอภิบาลสิทธิ์งานระวีการฟูมฟักดูแลเด็กจํานวนอนุชนของคิดจักก็ลดน้อยลงในที่สุดคนก็ไม่เข้าโบสถ คิดจักต้องปิดตัวเองลงเพราะว่าไม่มีทุนดำเนินการต่อไปหรือคงสภาพเมนเทนแนนส์สิ่งปลูกสร้างพี่น้องครับจากภาพทั้งที่เห็นอยู่นะครับคิดจักเนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นที่ประชาสัมพันธ์ของเรดบู l นะครับเรบก็คือกระถิงแดงบ้านเรานั่นเองอะไรเกิดขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศอังกฤษ มีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเรียกว่า Alpha International เขาได้รวบรวมคริสเตียนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ได้นำมาซึ่งการประกาศพกิติคุณอีกรูปแบบหนึ่งแล้วทำให้ขิาราชการต่างๆเหล่านี้นะครับค่อยๆถอยกลับมาวิธีการของเขาก็คือว่าเขาประกาศและเน้นการประกาศครับและเขาไปบอกกับสำนักนายกของ อังกฤษบอกว่าถ้าที่ไหนหรือคริสจักรใดก็ตามที่ประกาศขายขออย่าเพิ่งประกาศขายคริสจักรของเครือของเขาเน้นยินดีที่จะส่งคนไปเพื่อที่จะฟื้นฟูคริสจักรพี่น้องครับเขามีสมาชิกเป็นแสนคนเมื่อคริสจักรแห่งใดประกาศขายเขาก็บอกว่าจะส่งคนไปครับสองคนเพื่อที่จะทําให้คริสจักรนั้นจะมีชีวิตต่อไปได้ ปรากฏว่าส่งไปสมปีครับคลิดจากนั้นจาก200อคนกลายเป็น500ร้อกลายเป็น800ร้อกลายเป็น 1,000 คนขอบคุณพระเจ้ารัฐบาลอังกฤษพระชนีเอลิซ์เบตเองก็ได้กล่าวยกย่องชมเชยรัฐบาลอังกฤษนั้นก็นำอัลฟาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเป็ น, ปนพันธกิจเรือนจำครับอยู่ในคุกครับแล้วก็ปรากฏว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำนั้นก็กลับใจใหม่เป็นคริสเตียนเป็นผู้ดีรักพระเจ้ามากมาย ขอบคุณพระเจ้าครับที่ขึ้นจากวัฒนาเราได้นํอัลฟาครับเข้ามาใช้เป็นหลักสูตรที่ดีมากและเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวคู่แต่งงานคู่สมรสหรือแม้กระทั่งโรงเรียนวัฒนาเองนั้นก็มีน้องน้องเด็กนักเรียนนะครับกลับใจรับเชื่อหลังจากที่เราเอาโปรแกรมอัลฟาเข้าไปอยู่ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีน้องน้องรับเชื่อสิบกว่าคน เมื่อสิกว่าปีที่แล้วครับผมได้อ่านหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่า Jesus the CEO ความคิดครั้งแรกเลยนะครับก็คือว่า CEO นั้นเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ที่สามารถสั่งการได้ทุกคนซ้ายหันขวาหันตามซ e o คนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่า C นั้นมาจากคำว่า Chief แปลว่าหัวหน้าหรือคนต้นเบอร์หนึ่งนะครับ e มาจากคาว่า Executive แปลว่าผู้ที่ทำให้งานสำเร็จหรือผู้บริหารอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าผู้สำเร็จโทษครับผู้ประหารชีวิตก็เรียกว่า executor และคำว่า officer นั้นแปลว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานแท้จริงแล้วในความหมายของซีโอที่ผมได้นำเสนอพี่น้องไม่ใช่เป็นผู้ป ร, ร, ริบัิรับใช้ครับเพราะว่าผู้ป ร, ริบิรับใช้ในพระธรรมมาโกบทที่10ข้อ45บอกว่า พระเยซูเป็นผู้ปฏิบัติคนต้นคนต้นคือชีฟนะครับต้องเป็นคนปลายคนที่ทําให้งานสําเร็จคือไม่ใช่เราแต่เป็นพระเจ้าเราเป็นเครื่องมือของพระองค์เท่านั้นเป็นแค่คนต้นเรือนที่เราจะต้องดูแลงานของพระเจ้าเป็นคนถวายการรับใช้เจ้านายบนสวรรค์ของเราที่สั่งให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นครับเหมือนอย่างที่พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ได้เสด็จมาจากสวรรค์มาเป็นผู้ที่รับใช้ ผู้ปนิบัติคนทั้งหลายพรองค์ยอมเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งถึงความมรณาที่บนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นคำว่าซ e o นั้นไม่ใช่พระเยซูครับในเนื้อหาพระวจนะพระเจ้าบริบทของพระธรรมมรากบทที่1ิข้อ45นี้ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าสาวกของพระองค์สองคนคือยากบและยอนอยากเป็นคนใกล้ชิดพระเยซูนะครับเขาทั้งสองคนบอกว่า เมื่อไรก็ตามเนี่ยที่พระเยซูขึ้นครองนะครับเป็นพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์ก็ขอว่าให้ผมกับน้องชายของผมเนี่ยอยู่เบื้องขวาพระองค์คนหนึง่งเบื้องซ้ายพระองค์คนหนึง่งในมัทธิวบทที่20่สข้อยีได้บรรยายมากกว่านี้ครับบอกว่าแม่ของสาวกพระเยซูสองคนเนี่ยนะครับที่เป็นภรรยาของเสเบดีก็คือพ่อของยากบและยอนเนี่ยนะครับเข้ามาล็อบบี้พระเยซูครับ ลอบบีพ้พระเยซูมาขอตำแหน่งบอกว่าเมื่อพระเยซูครอบครองขอให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยได้อยู่ข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนได้ไหมพระเยซูตอบว่าไงครับพระเยซูถามเขาครับว่าพวกท่านสามารถทนทุกข์เหมือนกับเราได้หรือเปล่าพวกท่านสามารถที่จะดื่มจอกที่จะมาถึงเราได้หรือเปล่าสามารถที่จะรับบัพติศมาเหมือนอย่างที่เรารับพดิศมา ได้หรือเปล่าบัติศมาณีที่นี่หมายถึงการทนทุกข์ครับถึงแม้ว่าพวกเขาในที่สุดเขาจะต้องรับเพราะว่ายอนนะครับกับยากบก็จะต้องรับความทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูแต่พวกเขาก็ไม่อาจมั่นใจว่าเขาจะได้ตามสิ่งที่ตนต้องการเพราะว่าพระเยซู ย, ยืนยันว่าคนที่จะประทานบาเหน็จคนที่จะให้ใครอยู่ตรงไหนนั้นรางวัล น, นั้นผู้ที่ จะ ต, ตัดสินก็คือพระบิดาบนสวรรค์พี่น้องครับการที่เราเป็นผู้ปริบัติรับใช้นั้นเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นแบบอย่างแห่งการปริบัติรับใช้จากพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับเราเห็นความจริง3ประการความจริงประการแรกก็คือว่าทุกคนอยากรับอยากจะได้รับการปรนิบัติครับเพราะอะไรครับเพราะวาธรรมชาติของมนุษย์เห็นแก่ตัว ธรรมชาติของมนุษย์อยากได้การยอมรับทุกคนอยากเป็นที่รู้จักภากษาอังกฤษเรียกว่าเล็กคอกในเล็กกนิช่นดังนั้นเองหลายๆคิดจากนั้นจึงจึงมีความเห็นแก่ตัวและสมาชิกก็อวดกันเปรียบเทียบกันนะและมีเรื่องมีราวกันหากว่าตนเสียหน้าหรือไม่ได้รับเกียรติเท่าที่ควรมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งครับเล่าให้ผมฟัง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าในเครืิจักรแห่งหนึ่งของเขาเนี่ยมีคนร่ำรวยคนหนึ่ง <c oughs> ถวายเงินให้กับเครือจักรเพื่อที่ว่าตัวเองนั้นจะได้รับเกียรติมีตำแหน่งมีอำนาจสั่งการคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่ไม่ได้ปฏิเสธตัวเองแบกกางเขนตามพระเยซูไปคนเหล่านี้ได้วนเวียนอยู่ในลาบยศสรรเสริญ คฤหจักรใดก็ตามที่มีผู้ต้องการรับการปฏิบัติมากคฤหจักรนั้นจะเติบโตน้อยครับในทางตรงข้ามคฤหจักรใดที่มีต้องมีคนที่ต้องการรับการปฏิบัติน้อยก็จะเติบโตมากดังนั้นครับผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งคฤหจักรใดมีผู้ต้องการรับการปฏิบัติมากคฤหจักรนั้นจะเติบโตน้อยคฤหจักรใดที่มีผู้ต้องการรับการปฏิบัติน้อย คิจจอย่างนั้นก็จะเติบโตมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากสําหรับคลิจจ์ก <num it> <Odys se> ็คือการเปลี <f 20> ่ยนแปลงครับการพัฒนาผู้คนจากวงนอกก็คือคนที่ไม่ได้รู้จักข้าพเจ้ามาเป็นชุมชนที่รู้จักข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่หนังสือของริกวอร์เรนที่เขียนไว้ว่าคลิจจ์ที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์พี่น้องดูในแกรมนี้นะครับดูวงภาพนี้ วงนอกซึ่งเป็นสีน้ำเงินเป็นคอมมินิตี้ก็คือชุมชนชุมชนนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเขานะครับให้มาเป็นฝูงชนฝูงชนนี่คืออะไรครับก็คือคนที่จะมาอยู่รอบๆคริสตจักรของเราคริสตจักรมีหน้าที่จะเปลี่ยนคลาวด์ก็คือฝูงชนให้กลายเป็นคอนเกรชันคอนเกรชันก็คือที่ประชุม นะครับที่ประชุมก็คือบรรดาผู้ที่มาโบส์คริสตจักรก็ต้องเปลี่ยน congregation ให้กลายเป็น committed Christian ก็คือคริสเตียนผู้ถวายตัวครับผู้ถวายตัวเพื่อที่จะเป็นผู้ปลนิบัติรับใช้คนอื่นและบรรดาวงขาวนะครับซึ่งเป็น committed Christian คริสตจักรมีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นกลุ่มแกนนำก็คือกลุ่มคอ นี่คือสิ่งที่ Purpose Driven Life หรือ Purpose เว่น c h ิร์ชเนี่ยโดย Rick Warren ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาทางศาสน ก, กิจของประธานธิบดีสหรัฐได้เขียนไว้พี่น้องครับถ้าเราสามารถเปลี่ยน Community นะครับให้เขากลายมาเป็นคราวและเราเปลี่ยนจากคราวนะครับชุมชนนะครับมาเป็นฝูงชนฝูงชนมาเป็นสมาชิก จากสมาชิกธรรมดาทั่วไปมาเป็นสมาชิกที่ปฎิบัติรับใช้ที่ปรรวนนาตัวและเขาเหล่านั้นในที่สุดนั้นจะเป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริงนี่คือหน้าที่ของทุกทุกท่านไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้นำคริสตจักรเท่านั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าทุกคนอยากจะรับการปฎิบัติใครจะเป็นผู้ที่ให้การปฎิบัติเราต้องสนใจและเอาใจใส่ในการเคลื่อนผู้คน จากวงนอกเข้าสู่วงในและถ้าทุกวงนะครับไหลเข้านะครับไหลเข้าวงในในที่สุดครือจักรสามารถขยายตัวอย่างทวีคูณเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือประการแรกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กทารกฝ่ายวิญญาณให้มาเป็น ผู้ใหญ่ายวิญญาณโดยการที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากการอยากรับการปฏิบัติมาเป็นผู้ยอมให้การปฏิบัติกับเป็นประการที่สองความจริงประการที่สองก็คือว่ามีบางคนยอมเป็นผู้ปฏิบัติในสังคมทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราผู้น้อยต้องปฏิบัติผู้ใหญ่แต่ในความหมายของพระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นความหมายพระเยซูก็คือว่าคนที่ใหญ่กว่า คนที่สูงกว่าคนที่เก่งกว่าคนที่มีมากกว่าจะต้องปฏิบัติคนที่ต่ำต้อยกว่าเล็กน้อยกว่าพระเยซูและท่านอาจารย์เปาโลท่านได้ให้อยู่แบบอย่างของผู้นำในทุกๆระดับนะครับว่าจะต้องเป็นท่าตสมัครของคนทั้งปวงท่าสมัครแปลว่าท่าที่สมัครใจครับ ทาตที่สมัครใจอยู่ต่อกับนายแท้จริงแล้วในธรรมเนียมของคนยูนะครับทาตเนี่ยเป็นได้ไม่เกิน7ปีพอปีที่เจนี้ต้องปล่อยนะครับแล้วปีที่49นะ7คูณ7คือ49แล้วปีที่50เนี่ยถือว่าเป็นจูบิลี่เป็นปีใหญ่ครับ2ปีครับคือปี49ปีที่50เนี่ย ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ต้องคืนครับใครไปซื้อที่มาต้องคืนให้กับเจ้าของหมดครับและนี่คือวิธีการปฏิรูปที่ดินนะครับตามแบบอย่างของพระเจ้าตามกฎหมายของโมเสสท่านนั้นอยู่ได้อย่างมาก6ปีไม่เกินเจ็ดปีที่เจ็ดต้องปล่อยเขาแต่พี่น้องทราบไหมครับในพระคัมภีร์เฉลยธรรมัญญัตบทที่สิบห้าข้อ 16-17 กสิบเจ็ดนี่ยได้บอกถึงการปล่อยทานนะครับ แต่ถ้าทาสคนนั้นเนี่ยสมัครใจอยู่ต่อกับนายที่เขารักนายที่รักเขาทาสคนนั้นเนี่ยจะต้องเอาหูนะครับไปแนบกับเอาหูนะครับไปแนบกับวงกบประตูแล้วเจ้านายเนี่ยนะครับก็จะสั่งให้เอาเหล็กแหลมนะครับตอกอยู่ที่ติ่งหูเขานะครับติ่งหูเนี่ยก็จะเป็นรู นะครับซึ่งนับแต่นี้ต่อไปทาสคนนี้จะถูกเรียกว่าบอนสเลฟก็เป็นทาสที่ผูกพันตัวเองจนกระทั่งเขาจบชีวิตหรือเขาตายไปภาษาอังกฤษนะครับภาษาฮีบรูเรียกว่าเอเบภาษาอังกฤษนี้แปลว่าดูโรสและภาษาอังกฤษเดิมทีเขาเรียกว่าสเลฟแปลว่าทาสภาษาอังกฤษสมัยใหม่เรียกว่าเซอร์วแปลว่าผู้รับใช้ นะครับถ้ l ว่าบ w a ส a ลฟวอลเลนท l รีสก็คือเป็นท่าที่สมัครใจครับทำไมต้องเอาหูไปแน่ประตูหูนี่เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อฟังประตูหรือวงกบประตูนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านครับเราออกจากห้องหนึ่งไปอีกห้องนึงต้องผ่านประตูใช่ั้มครับเนี่ยประตูนี่นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนสถนานภาพจาก ทาาที่ถูกบังคับกลายเป็นท่าที่สมัครใจนี่คือวิญญาณของคนที่ยอมปฏิบัติคนอื่นถามว่าทําไมคนถึงยอมเป็นท่าสมัครประการแรกครับคําตอบคือเพราะเจ้านายของเขานั้นมีเมตตาต่อเขาอย่างสูงมากให้อาหารให้ที่พักมาเป็นเวลาหลายปีเลี้ยงดูให้เขาเติบใหญ่เขารู้สึกสํานึกในพระคุณของเจ้านาย บัดนี้เมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสคนเหล่านี้สมัครใจกลับมาขอทํางานต่อไปเป็นทาส ต, ต่อไปเขายอมให้เวลาที่เหลือในชีวิตของเขานนัเป็นสมบัติของนายของเขาในฐานะทาสสมัครครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครก็ตามที่เดินไปในตลาดแล้วมีติ่งหูเนี่ยคนนั้นนะครับติ่งหูแล้วก็มีหูมีรูเนี่ยคนนั้ น, เ, นเป็นคนที่มีเกียรติมากเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขากำลังอวดนายของเขาว่านายของเขาเนี่ยเป็นนายที่เขารักและรักเขาและนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของเกียรติยศครับใครก็ตามที่เป็นทาสแล้วเดินเข้าไปในตลาดเนี่ยเดินเข้าไปในทุ่งนาเดินเข้าไปเจอคนเนี่ยโชหูครับพี่น้องโชหูเพราะอะไรครับว่าผมเนี่ยเป็นทาสสมัครนายของผมเนี่ยดีมาก ประการต่อไปครับทำไมถึงมีบางคนเป็นยอมเป็นท่าสมัครและทําไมมีบางคนไม่ยอมเป็นท่าสมัครเพราะว่าเราไม่รู้ถึงความเร่งด่วนของการเป็นผู้ปฏิบัติความเร่งด่วนของการเป็นผู้ปฏิบัตินั้นเนื่องจากว่าคนคนนั้นเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตและความตายเขา ไม่ตระหนักว่าความตายนั้นอาจจะมาถึงเขาอย่างรวดเร็วโดยที่เขาไม่ได้คิดถึงผมเองนั้นมีประสบการณ์เรื่องนี้ตอนอายุยี่สิบปีผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากตรงนั้นนะครับรู้ว่าชีวิตของเราไม่แน่ไม่นอนจึงได้ตัดสินใจถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเมื่อรับการรักษาแบบเฉียดฉิวความตายผมขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเวลานี้นะครับ ก็ล่วงเลยมาเป็นปีที่26แล้วขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าได้ให้สิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้าเป็นผู้ปลิบัติผมตัดสินใจตอนอายุ30ในการที่จะควเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาจบจนกระทั่งบัตรนี้ก็เห็นถึงพระเจ้าได้ทรงนําชีวิตของผมมาโดยตลอดในการปลิบัติพี่น้องหลายหละยครั้งทีเดียวเสียน้ําตาต้องเจ็บปวด ต้องเผชิญกับความเข้าใจผิดแต่พระเจ้าก็สอนให้ลดอีโก้ของตัวเองลงให้คิดรอบคอบรอบด้านให้รอคอยวันเวลาและวาระาของพระเจ้าให้พึ่งพาพระองค์ให้มากกว่าที่เคยเป็นมาจบจนกระทั่งบัดนี้เมื่อมองถอยหลังย้อนกลับไปทุกสิ่งนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้เปลี่ยนแป ล, ปลงชีวิตของผมในการรับใช้พระองค์ขัดเกาชีวิตของผมตั่ตกแต่งและตัดนะครับตัดตัด ขแขนงองุ่นนี้ให้เกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าเพื่อปณิบัติผู้คนของพระเจ้าเพื่อปณิบัติประชากรของพระองค์ด้วยการใช้พระวจนะอย่างถูกต้องให้ลูกแกะของพระองค์ได้รับประทานอาหารฝ่ายวิ ญ, ญญาณที่มีสุขภาพเป็นอาหารสุขภาพที่ดีนั่นคือพรวจนะของพระเจ้าที่ถูกต้องนั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมได้ปณิบัติรับใช้พระเจ้ามาผมอยากจะเป็นพยานให้กับพี่น้องยืนยันว่าเวลาที่เรามาปณิบัติพระเจ้าเป็นผู้รับใช้คนอื่นนั้น แน่นอนครับมีความทุกข์ยากลาบากรออยู่มีความยากมีความอุปสรรครออยู่แต่พี่น้องครับความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติพระเยซูคริสต์ได้ถ่อมพระองค์ลงจนยอมรับความมรณาที่บนกลางเขนและความถ่อมใจตรงนี้ครับผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นพระเนะสามตอนด้วยกันในสูจีบัตรระเบียบนัสการ์ของท่านนะครับมีช่องว่างอยู่ในหน้าที่สามนะครับข้างล่างนะครับ ผมอยากให้พี่น้องได้เอาโสดีบาขึ้นมาและจดพระคัมภีรสข้อนี้นะครับซึ่งท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ข้อแรกนะครับอยู่ในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อ26 27นะครับโชว์อยู่บนหน้าจอนะครับหนึ่งโครินบทที่26ข้อ27ผมอยากให้พี่น้องฟังในคำนั้ที่ท่านจดอยู่ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โง่คนโลกคนที่โลกถือว่าโง่เขาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย ผมมองดูแล้วชีวิตของผมเองหลายหลายคนถามผมว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะออกมาจากวิชาชีพทันตแพทย์ซึ่งมีรายได้ดีมีเกียรติพวกหมอนี่แปลกนะครับเวลาคนไข้ามาหาเนี่ยไม่มีหมอคนไหนไหว้คนไข้ก่อนนะมีแต่คนไข้ไหว้หมอนะครับผมเป็นหมอฟันเนี่ยทงานอะไรเนี่ยคนไข้เถียงไม่ได้เพราะว่าอ้าปากตลอดเวลา พูดอะไรคนไข้ต้องฟังหมดครับถึงเวลาทําเสร็จปุ๊บคนไข้ก็ต้องควักกระเป๋ามาจ่ายเงินแล้วก็ขอบคุณมากครับหมอขอบคุณที่ดูแลลู ก, ล, กลูกของดิฉันผมเป็นหมอฟันสําหรับเด็กนะครับขอบคุณถึงเวลาปีใหม่เทศกาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของขวัญเต็มเอากระเช้ามาอะไรมาดูแลลูกของเขาหลายหลายปีมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า โง่หรือเปล่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าโลกก็ถือว่าอ่อนแอถ้าพี่น้องจะรับคนสักคนนึงมาเป็นสตาฟในบริษัทของพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะรับคนที่เป็นมะเร็งไหมครับถ้าเลือกได้แต่พระเจ้าก็ยอมให้ผมเข้ามาอยู่ในสถาบันของพระองค์มีโอกาส ร, รับใช้พระองค์ จบจนขั้งบัดนี้25ปีผ่านไปหลังจากที่การเป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งก็ยังยืนอยู่ที่นี่ได้มีโอกาส ร, รับใช้พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระคมภีร์ตอนที่สองครับหนึ่งโครินบที่สี่ข้อที่6และข้อที่7พี่น้องทั้งหลายที่ได้นําตัวเข้าพระเจ้าและอปอลโลมากล่าวไว้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายให้ท่านเอาเรื่องของเราเป็นตัวอย่างเพื่อให้อยู่ในขอบเขตของพระคมภีร์ มิให้ใครในพวกท่านพองตัวขึ้นในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมา mm hmm. ก็เมื่อท่านได้รับมา mm hmm. เหตุฉะนั้นท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลยพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีทุกวันนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วมาแตกมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับ เราจะต้องถ่อมใจลงในการรับใช้พระเจ้าข้งผีข้อหนึ่งครับยากอบทที่สี่ข้อสิบสามนะครับถึงสิบเจ็ดยากอบทที่สี่ข้อสิบสามถึงข้อสิบเจ็ดนี่แนีท่านที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและจะค้าขายได้กำไรแต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปแทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านหลายควรจะพูดว่าถ้าองค์พระบุญเจ้าทรงโปรดเราจะมีชีวิตอยู่และจะกระทําสิ่งนี้สิ่งนั้นตามความจริงท่านหลายโอ้อวดด้วยความทะนงตนการโอ้อวดทุกอย่างเช่นนี้เป็นความชั่วเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทําคนนั้นจึงมีบาปท่านครับ เราต้องบอกว่าถ้าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปีหน้าวันพ่งนี้เดือนหน้าเราจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องอมตัวเองลงครับและเพื่อที่จะบอกว่าแท้จริงแล้วเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราไม่ได้เป็นผู้ทีวางแผนงานหรือแผนการชีวิตของเราได้สิ่งที่เป็นแผนการและเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งให้กับเรานั้นจะสาเร็จโดยพระองค์เท่านั้น และนี่คือชีวิตของผู้ที่ปนิบัติรับใช้พระเจ้าเราสามารถสรุปนะครับเคล็ดลับในการปนิบัติ ร, รับใช้พระเจ้าให้นานนะครับให้เข้มแข็งก็คือความถ่อมใจพี่น้องครับผมอยากจะถามว่าถ้าพี่น้องฟังวันนี้แล้วพี่น้องบอกว่าผมอยากจะเป็นผู้ที่ปนิบัติรับใช้ต้องถามตัวเองก่อนว่าถ่อมใจได้หรือเปล่าถ้าถ่อมใจได้ก็จะเป็นคนที่ปนิบัติ ร, รับใช้พระเจ้าได้ ความถ่อมใจคือการให้เกียรติให้เครดิตกับพระบิดาผู้ทรงเลือกเราให้เราโอ้อวดเรื่องพระเจ้าไม่ใช่โอ้อวดเรื่องตัวเองหรือโอ้อวดมนุษย์คนใดคนหนึ่งความถ่อมใจคือการยอมรับว่าทุกสิ่งที่เรามีนั้นมาจากพระเจ้าเราไม่มีอะไรจะโอ้อวดได้เลยความถ่อมใจคือความยินดีและยอมรับอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าที่พระองค์มีอำนาจสิทธิสูงสุด ในการที่ปกครองชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้และพระเจ้าค่อยเราทําตามวาระที่พระเจ้ากําหนดไว้นะครับถึงเวลาพระเจ้าก็รับเรากลับไปอยู่กับพระองค์ที่เมืองบรมสุขเกษมต่อไปครับรากฐานของความถ่อมใจแบบคริสเตียนก็คือข่าวประเสริฐในตัวเองเมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะครับชีวิตของเราจะเป็นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ความถ่อมใจนั้นเป็นหนทางนําไปสู่การปฏิบัติผู้อื่น ไม่ใช่คอยให้คนอื่นมาปฏิบัติความถ่อมใจนั้นคือความยินดีเพื่อยืนยันว่าความถ่อมใจนั้นคือการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับความถ่อมใจเป็นเครื่องมือนะครับเป็นทางที่เราจะปฏิบัติผู้อื่นความถ่อมใจนั้นคือการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นถ่อมพระองค์ลงจากเป็นผู้ที่เจ้าของสวรรค์ลงมาอยู่บนโลกและ เสด็จขึ้นไม้ยังเขเนี่คือเป็นนักโทษนักโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นการประหารชีวิตที่แย่ที่สุดที่โหดร้ายที่สุดแล้วอีกท่านหนึ่งครับยอนผู้ให้บัพติศมาเมื่อเขาเห็นพระเยซูนะครับเขาให้บัพติสมาพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูก็มีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงเรื่อยสาวกของเขาเองเนะไปติดตามพระเยซูมีคนถามบอกว่าท่านคิดยังไงยอนผู้ให้บัพติานะครับท่านบอกว่า พระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงพี่น้องครับคนที่จะปฏิบัติพระเยซูถามตัวเองครับว่าเรายอมถ่อมใจลงจริงๆหรือเปล่าหรือเราทมแต่ภายนอกแต่ข้างในนั้นอีโก้แรงประการที่สามครับความจริงประการที่สมในเช้าวันนี้ก็คือมีผู้เดียวที่ให้ชีวิตได้มีผู้เดียวที่ให้ชีวิตได้ ผ, ดไดผู้นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ พระเยซูคือผู้เดียวที่สละชีวิตให้กับคนบาปพระองค์ทรงเกลียดชังความบาปแต่พระองค์รักคนบาปและการให้ชีวิตนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติรับใช้ที่สูงที่สุดครับการให้ชีวิตถือว่าเป็นการให้ที่สูงที่สุดเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดพระเยซูต้องการให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่คนเป็นนั้นมากเราให้ทรัพย์สมบัติให้สิ่งของให้การช่วยเหลือต่างๆ ไม่อาจสู้ให้ชีวิตได้การที่ชีวิตจะสัมผัสชีวิตนั่นแหละครับเป็นการปฏิบัติรับใช้ที่สูงที่สุดแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่1 0ข้อที่10ครับพระเยซูบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเราได้มาเพื่อข้าวลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ยอห์นบทที่ 10: บข้อสินะครับขโมยมาเพื่อที่จะลัก และฆ่าและทำลายแต่เราได้มาเพื่อให้ท่านทั้งหลายรับชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูทรงเป็นต้นแบบของการปณิบัติรับใช้นะครับยากบและยอนเข้าใจความหมายนี้ตอนหลังหลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนและเป็นก็มีความตายแล้วและเขาเข้าใจอย่างดีเมื่อเขาปนิบัติรับใช้คนอื่นเริ่มที่จะปณิบัติรับใช้คนอื่นเขาเริ่มทนทุกข์ เขาเริ่มที่จะรับความประมาณเพื่อพระเยซูจนในที่สุดเขาถวายชีวิตทั้งหมดให้กับพระเยซูได้เมื่อเขาหัดที่จะปฏิเสธตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหัดที่จะแบกกางเขนของตนมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติมนชนและให้ชีวิตกับคนอื่นได้เหมือนกับพระเยซูกับตอนนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาส ได้ไข้ควรถึงชีวิตของตัวเองครับหลายหายคนเนี่ยเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกดีนะครับอยากจะปฏิบัติคนอื่นบ้างเหมือนกับที่เปซูปฏิบัติคนอื่นหลายคนก็ออกตัวบอกว่าผมยังไม่พร้อมดิฉันยังไม่พร้อมรอให้ประสบความสําเร็จก่อนรอให้ลูกโตก่อนรอให้ผมเพียรพร้อมด้วยคุณอาวุธยหววุฒก่อนนะครับผมจะได้ปฏิบัติคนอื่นได้ดิฉันจะได้ปฏิบัติคนอื่นได้ แต่พี่น้องมาดูคนในพระคัมภีร์เหล่านี้ครับรวบรวมมาได้14คนโมเสสโมเสสนั้นบอกกับพระเจ้าว่าเป็นคนพูดไม่เก่งเหมือนกับพูดติดอ่างนะครับแต่โมเสสก็พระเจ้าใช้เขาดาวิดตอนที่จะฆ่าโคลอแอตตัวเล็กครับเป็นวัยรุ่นอยู่ใส่ชุดนักรบไม่ได้ยกเกราะก็ไม่ไหวถือดาบก็ไม่ได้ ดาวิดยาโคบครับยาโคบเป็นคนพูดโกหกแต่เมื่อเขายอมถวายตัวรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ใช้ได้ดาวิดกลับมาดาวิดทำบาปล่วงบรเวนีพระเจ้าก็ยังใช้หลังจากที่เขากลับใจใหม่อับราฮัมครับแก่เกินไปที่จะมีลูกแต่พระเจ้าก็ให้ลูกเขาได้ พี่น้องที่คิดว่าตนเองเอายุมากแล้วนะนะอยากจะพักผ่อนนะคิดถึงอับรามนะครับอายุร้อยปีเปาโลครับอคาทูปเปาโลเคยเป็นฆาตกรล่าไลา่ล่าชีวิตของคริสเตียนมาก่อนแต่เมื่อเขากลับใจเขาเป็นผู้เป็นบารับใช้ที่พระเจ้าใช้เขาโยนาเคยหนีจากพระเจ้าใช่ัหมครับแต่เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงเขากลับใจโยนาก็เป็นผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง กีเดโอนเป็นผู้วินิจฉัยวันนี้จะมีการติวผู้วินิจฉัยนะครับที่สาราสอบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกีเดโอนเป็นผู้วินิจฉัยกับโทมัสซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เคยเป็นคนช่างสงสัยพอรู้จักกับพระเยซูพอรู้จักกับพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครเขาก็ถูกพระเจ้าใช้อย่างมากเยเรมีครับเคยเป็นคนซึมเศร้าและคิดจะฆ่าตัวตาย แต่ว่าพระเจ้าก็ให้โอกาสเขาในการรับใช้พระเจ้าเอลียาครับเคยหดหูท้อแท้แล้วก็เบิ่นเอาก็คือจิตสลายเอลียาก็กลายเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่มากนางสาวมาทานะครับซึ่งเป็นพี่ของนางสาวมารีเป็นพวกวิตกจริตเนะี่ยก็คือว่าอยากจะทำนู่นทำนี่นะครับเป็นห่วงนะครับ แต่พระเจ้าก็ใช้พี่น้องครับ14ท่านมารโกครับมารโกเคยถูกอาจารย์เปาโลปฏิเสธไม่เอาเข้าทีมด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้กลัวหนีครับแต่ในที่สุดมารโกเป็นคนที่เขีย น, นพระคัมภีร์มารโกยอนนึกว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองชอบทำแต่ในที่สุดเขาก็ต้องกลับใจใหม่พระเจ้าก็ใช้เขาเปโตนะครับบ้าบินมากเป็นคนมุทะลุ กลัวตายในสุดเขาก็ถูกพระเจ้าใช้ทิโมธีครับมีโรคประจาตัวมีโรคยระจตัวเป็นโรคกระเพาะพระเจ้าก็ใช้เขาเพียง่า น, นครับ14อย่างเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าไม่หลุดไปจากพวกเราแลครับไม่ว่าจะเป็นอายุมากไม่ว่าจะเป็นมีโรคประจาตัวไม่ว่าจะเป็นเคยพูดโกหกไม่ว่าจะเป็นเคยทำบาปมา ก, ก่อนไม่ว่าจะเป็น การกลัวตายหรือไม่ว่าจะเป็นคิดว่าตัวเองนั้นชอบทําดีแล้วนะครับวิตกจริตหดหูท้อแท้จิตสลายซึมเศร้าช่างสงสัยเคยหนีจากพระเจ้าต่างๆเหล่านี้ครับคือพวกเราทุกๆคนใครจะเป็นคนที่สิบห้ครับพี่น้องครับพวกเราครับเป็นคนที่15ก็คือว่าไม่ว่าเราจะยังไงก็ตามขอให้เรามีใจพระเจ้าจะมีทางครับขอให้เรามีใจอยากแสบฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้ามีทางที่จะสร้างชีวิตของพี่น้องขึ้นมา พอจะน้าพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยากให้พี่น้องจดนะครับมาระโกบทที่1 0บข้อสีถึงข้อสีพระเยซูซึ่งจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าพี่น้องครับคนที่อยากจะปณิบารับใช้พระเจ้านะครับขอให้ดูพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ดีครับพระเยซูจึงเรียกเขางหลายมาตรัสว่าทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับ แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายและถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครบอนสเลฟนะครับของคนทั้งปวงพี่น้องครับคิปจากพวกเรานั้นมีพันกิจมากมายต้องการผู้ปรนิบัตินะครับพี่น้องหันมาทางซ้ายสิครับเห็นจานวนของ คณะนักร้องเนี่ยร่ายรอนะครับต้องการนักร้องเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพบุรุษครับนะครับคณะบุรุษคณะสตรีคณะนักร้องต้องการผู้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับอีกสองอาทิตย์ที่โบสเราจะมีเว t ชันแคร์สำหรับเด็กอนุบาลจนถึงเด็กปนหนึ่งเราต้องการอาสาสมัครเยอะแยะมากมายครับ แต่ผมอยากเยื่นกับพี่น้องว่าหัวใจหลักของคนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติก็คือการปฏิบัติการทำครับมือเปื่อนนะครับเงื่อออกหูชาหูชานี่ที่หมายว่าคือมีเสียงมากมายนะครับมานู่นมานี่นะครับทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหูชานะครับสมองคิดนะครับบางครั้ง ต้องวางแผนเหน็ดเหนื่อยอดนอนถูกคมเหงถูกโจรปล้นเรือแตกต้องนั่งเข็งนะครับย่อนลงมาจากกำแพงเมืองนี่คือชีวิตของท่านอคาทูดเปาโลท่านได้เขียนไว้และท่านเรียนแบบพระเยซูครับทนทุกข์เพื่อพระเยซูถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้น อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ากิจการมาถึงเราทุกวันนี้คําถามก็คือว่าเราจะปฏิบัติได้แล้วหรือยังถึงเวลาแล้วหรือยังครับพี่น้องครับสุดท้ายผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้เล่าไว้ในเสียงสิทยิพิบาลวันเสาร์ครับเรื่องหยดน้ําอยากไปทะเลเรื่องเล่านี้มีอยู่ว่าหยดน้ําหลายแย่อยดครับเขาก็อยากจะรวมตัวกัน แล้วก็ไปที่ทะเลแต่เมื่อเริ่มตัวกันนั้นกลายเป็นสายน้ำก็ไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆผ่านทะเลทรายปรากฏว่าหยดน้ำเหล่านั้นที่รวมตัวกันเป็นทานน้ำนั้นไม่สามารถผ่านทะเลทรายไปได้เพราะว่าทะเลทรายนั้นแห้งแรงและร้อนเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงหยดน้ำก็มองขึ้นไปข้างบนครับปรากฏว่าเจอลมก็เลยพูดกับลมว่าลมจะมีวิธีการอย่างไง ที่พวกเราหยดน้าเนี่ยจะไหลไปที่ทะเลได้ลมบอกว่าให้เราหอบไปสิให้เราหอบพวกเจ้าไปสิเจ้าจะได้ไปถึงทะเลได้แต่พวกเจ้าจะต้องยอมร้อนนะยอมละเหยนะและเราจะสามารถนําเจ้าไปถึงทะเลได้พวกเจ้าจะต้องเปลี่ยนนะจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปในทางที่มีวัตถุประสงค์ พร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะร้อนเจ้าถึงจะไปได้ในที่สุดพวกหยดน้ําก็คิดไปคิดมาแล้วบอกว่าเอาขอให้พี่ลมเนี่ยพาเราไปทักทีพี่ลมก็บอกว่าโอเคเราจะพาเจ้าไปเจ้าก้องทนร้อนในที่สุดครับหยดน้ําแต่ละหยดนั้นก็ละเหยไปครับกลายเป็นไอและกลายเป็นเมฆอยู่นท้องฟ้าแล้วไปรวมกับหยดน้ําแหล่งอื่นๆด้วยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นฝนตกไปนะครับ แล้วในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ได้เข้าทะเลและออกไปมหาสมุทรในที่สุดประเด็นคําสอนที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะออกไปทะเลและมหาสมุทรเราต้อง change เราต้องเปลี่ยนแปลงครับเราต้องผ่านความร้อนนะครับให้ชีวิตของเราเนี่ยละ เ, เหยออกไปนะกลายเป็นสภาพอีกสภาพหนึ่งอีกสถานะหนึ่ง ของสถานะของการเป็นผู้ปฎิบัติรับใช้เราถึงจะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเราได้พอพี่น้องครับเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะครับเราต้องออกจากความรู้สึกสบายๆของเราเปลี่ยนแปลงตัวของเราก่อนแล้วรวมตัวกันครับและให้พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีความหมายว่าลมเนี่ยนะครับหอบเราไปและในที่สุดนั้นเราจะเป็นคนที่สามารถไปถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งกับเราได้ ขอพระเจ้าอวยพรครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวในใจและผมจะนำเรื่องการถวายตัวเป็นผู้ปนิบัติของพวกเราข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์บนไม้กางเขน ข้าพองค์หลายรู้สึกซาบซึ้งเพราะชีวิตนิรันที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพองค์หลายนั้นเป็นของขวัญที่มีค่าล้ําเลิศที่ไม่มีของขวัญอื่นไม่มีพระคุณอื่นใดไม่มีความรอดอื่นใดที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ได้ข้าแต่พระเจ้าข้างคหลายขอปริริพาตัวรับใช้พระองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติรับใช้แทนที่จะเป็นผู้ที่รับการปฏิบัติขอพระเจ้าให้ชีวิตของพระเยซูคริสต์ชีวิตของสาวก ชีวิตของผู้เชื่อบรรชนแห่งความเชื่อทุกๆท่านได้เป็นแบบอย่างแห่งการบฏิบัติของข้าพงษ์ทั้งหลายและขอให้การตัดสินใจในวันนี้ที่พระองค์ปรารถนาที่ให้ข้าพงษ์หลายนั้นเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้ขอพระเจ้าได้ทรงเรียกและทรงให้เสียงของพระองค์พระสุรเสียงของพระองค์ดังก้องอยู่ในห่วงความคิดของข้างหลายตลอดเวลาที่ข้างหลายอยากจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอการปรานาตัวเกิดขึ้นขอการถวายชีวิตของข้างหลายเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระทยขอพระองค์ทรงโปรดสถิตยอยู่กับสมาชิกเครืจักรและผู้เชื่อทุกขนแห่งในการที่ข้างมาลัยนั้นจะสามารถพริกฟืน้นเครืจักรของพระองค์เพื่อกลับคืนสู่สภาวะผู้นำของชุมชนต่อไปด้วยความปรารถนาอยากจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าข้าพมหลายจึงอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน